สวัสดีครับที่น้องครับนี่คือเสียงจากศรีบานนะครับในเช้าวันนี้เราอยู่ในชุดเพเยซูตอนที่490เรื่องพระวาท่าเจ็ดประโยคสุดท้ายของพระเยซูบนไม้กางเขนพระวาทะที่สองบนไม้กางเขนของพระเยซูนั้นปรากฏอยู่ในพระธรรมลูกาบทที่23พระธรรมลูกาบทที่23ข้อ39จนถึงข้อที่43โปรดฟังโระชนะของพระเจ้า ฝ่ายคนหนึ่งในผู้ร้ายที่ถูกตรึงไว้จึงพูดหยาบช้าต่อพระองค์ว่าท่านเป็นพระคิตมีใช่หรือจงช่วยตัวเองกับเราให้รอดเถิดแต่อีกคนหนึ่งห้ามปรามเขาว่าเจ้าก็ไม่เกรงกลัวพระเจ้าหรือเพราะเจ้าเป็นคนถูกโทษเหมือนกันและเราก็สมกับโทษนั้นจริงเพราะเราได้รับสมกับการที่เราได้กระทำแต่ท่านผู้นี้หาได้กระทำผิดประการใดไม่ แล้วคนนั้นจึงทูลว่าพระเยซูเจ้าข้าขอโรรองทรงระลึกถึงข้าพระองค์เมื่อพระองค์เสด็จเข้าในแผ่นดินของพระองค์ฝ่ายพระเยซูทรงตอบเขาว่าเราบอกความจริงแก่เจ้าว่าวันนี้เจ้าจะอยู่กับเราในเมืองบร ม, บรมสุขเกษมพี่น้องครับพระคัมภีร์ตอนนี้ที่ได้อ่านไปนั้นทำให้าาเราเห็นถึงพระวตา ท, าที่สอง เปียสุทรงอธิษฐานอยู่บนไม้กางเขนเปเยซูอธิษฐานวาทะที่สองกำลังพูดกับโจรโจรที่กลับใจมีคนถามผมว่าทําไมรู้ว่าโจรกลับใจในข้อที่สี่สิบครับเราจะเห็นว่าโจรที่กลับใจนั้นเขากําลังห้ามฟรามโจรอีกคนหนึ่งที่ถูกตรึงไว้อีกข้างหนึ่งโจร ที่เป็นผู้ร้ายถูกตึงไว้พูดเหยียดหยามพระเยซูพูดว่าท่านเป็นพระคริสต์เหรอจงช่วยตัวเองกับเราให้รอดเถิดโจรคนที่ได้รับความรอดนั้นโจรคนที่ได้รับการอภัยโทษจากพระเยซูก็ห้ามปรามเขาบอกว่าเจ้าไม่เกรงกลัวพระเจ้าหรือเพราะเจ้าเป็นคนถูกโทษเหมือนกันและเราก็สมกับโทษนั้นจริง เราก็สมกับโทษนั้นจริงเพราะเราได้รับสมกับการที่เราได้กระทําแต่ท่านผู้นี้หมายถึงพระเยซูครับหาได้กระทําผิดประการใดไม่นี่คือสิ่งที่โจรแสดงถึงการกลับใจเขารู้ว่าพระเยซูเป็นใครครับพระเยซูทรงเป็นพระเจ้าที่เสด็จมาในโลกนี้เพื่อยอมสิ้นพระชนแทนคนบาปก็คือพวกเขาและพวกเรา คุณและผมเป็นคนบาปทั้งสิน้นพระเยซูเสด็จมาในโลกนี้เพื่อตายแทนเราในด้วยเหตุนี้เองคนนั้นก็เลยทูลขอพระเยซูวาาา่าพระเยซูเจ้าค่ะขอพระองค์ทรงลึกถึงข้าพระองค์เมื่อพระองค์เสด็จเข้าในแผ่นดินของพระองค์แผ่นดินของพระเจ้าคืออะไรครับก็คือเป็นที่อยู่ของคนที่ได้รับความรอดนั่นก็คือแผ่นดินสวรรค์นั่นเอง เยซูตัดตอบเขาว่าเราบอกความจริงแก่เจ้าว่าวันนี้เจ้าจะอยู่กับเราในเมืองบรมสุกระเสริมพี่น้องลองจินตนาการดูนะครับว่าคนที่ถูกตรึงอยู่บนไม้กางเขนกําลังได้รับความเจ็บปวดทรมานแสนสาหาัสถึงกระนั้นก็ดีพระเยซูยังทรงรักคนที่ยอมรับว่าตัวเองเป็นคนบาป แล้วกลับใจใหม่ไม่อยากอยู่ในความบาปความชั่วอีกต่อไปไม่อยากอยู่ในการพึ่งพาตัวเองอีกต่อไปเพราะรู้ว่าตัวเองนั้นมีอุปสรรคตัวเองนั้นอ่อนแอตัวเองนั้นพึ่งพาไม่ได้แล้ะดูเห็นนี้เองผู้ที่พึ่งพาในพระเจ้าพระเยซูนั้นเขาจะได้รับความรอดและนี่คือคําสัญญา ที่มีมาถึงเราในทุกวันนี้ใครก็ตามที่เชื่อและไว้วางใจในพระเยซูเขาจะได้อยู่กับพระเยซูในเมืองบรมสุกเกษมนั่นก็คือสวรรค์นั่นเองพี่น้องครับการตึงบนแมเงเขนทำให้แผนการของพระเจ้าสำเร็จแผนการของพระเจ้าในการช่วยมนุษย์ให้รอดพ้นจากความผิดความบาป ให้รอดพ้นจากความทุกข์ให้รอดพ้นจากสิ่งต่างๆที่เข้ามาในชีวิตที่ทําให้มนุษย์นั้นเสื่อมลงเรื่อยๆพระเจ้ากําลังพลกฟื้นชีวิตของมนุษย์ความรอดนั้นเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับความเชื่อและไว้วางใจในพระเจ้าเป็นความเชื่อชนิดที่เรียกว่าความเชื่อศรัทธา เมื่อเราเชื่อศรัทธาในองค์พระผู้เป็นเจ้าเราก็จะได้ความรอดตามพัน ญ, ญาง่ายๆครับไม่ต้องทำอะไรเพียงแต่เปิดใจต้อนรับพระเยซูเข้ามาในชีวิตเพียงแต่มีความศรัทธาในพระองค์ตัดสิในสใจที่จะติดตามพระองค์ตลอดไปเพียงแต่แค่เราสารภาพความผิดยอมรับว่าเราเป็นคนผิดคนบาปเพียงแต่แค่เรา ขอาการอภัยโทษจากพระเจ้าจากพระเยซูเท่านั้นแหละครับเราก็จะสามารถที่จะเป็นลูกของพระเจ้าได้และเมื่ออัญเชิญพระเยซูเข้ามาในชีวิตเราก็จะได้รับการบังเกิดใหม่กลายเป็นคนใหม่ครับเมื่อเราเป็นคนใหม่เราอ่านพระวจนะของพระเจ้าเราติดตามพระเยซูตลอดชีวิตในที่สุดหลังจากที่เราจากโลกนี้ไปชีวิตนิรัน์อย่างครบถ้วนบริบูรณ์ก็จะเป็นของพวกเรา อันนี้คือสิ่งที่เราเชื่อเราศรัทธาด้วยเหตุนี้เกิดขึ้นจริงกับโจรบนไม้ยังเขนเมื่อ 2,000 ปีที่แล้วครับเขาได้เห็นถึงความรักของพระเจ้าเขารู้ว่าพระเยซูเป็นใครในที่สุดเขากลับใจกับกลับใจรับเชื่อในองค์พระบุ็รเจ้ากลับใจต้อนรับพระเยซูเข้ามาในชีวิตอธิษฐานขอพระเจ้าบอกว่าขอทรงระลึกถึงข้าพระองค์เมื่อข้าพระองค์เสด็จเข้า เมื่อพระองค์เสด็จเข้าในแผ่นดินของพระองค์และลึกถึงข้าพระองค์ด้วยเถิดนี่คือคําอธิษฐานต่อพระเยซูที่ถ่อมใจถ่อมตัวครับนี่คือคําอธิษฐานที่มีต่อพระเยซูที่แสดงให้เห็นถึงการที่เขานั้นกลับใจใหม่อยากจะเป็นลูกของพระเจ้าด้วยวิธีการเช่นนี้ทําให้เรารู้ว่าโจนคนนี้นั้นรอดไม่ได้รอดที่เขาไม่ตายนะครับแต่จิตวิญญาณเขารอด เพราะว่าจิตวิ ญ, ญญาณเขาจะกลับไปหาองค์พระผู้เป็นเจ้าในที่สุดเราจะไม่มีการเวียนว่ายตายเกิดในโลกนี้อีกแล้วแต่เราจะกลับไปสู่พระสวงของพระเจ้าเราจะกลับไปอยู่บนในเมืองบรมสุขเสมที่ไม่มีน้ําตาไม่มีความเจ็บปวดไม่มีความทุกข์ไม่มีความลําบากอีกต่อไปขอพระเจ้าช่วยเรานะครับในการที่เราจะใช้ เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนั้นเป็นครูของเราเป็นครูของเราใช้เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนั้นเป็นบทเรียนสอนใจเราทําให้เรานั้นต้องยึดมั่นอยู่ในความเชื่อความศรัทธาในองค์พระนเจ้าตลอดชีวิตเพื่อที่ชีวิตของเรานั้นจะได้รับพระสัญญาตามที่พระเยซูได้กล่าวกับคนที่อยู่บนไม้กางเขนก็คือโจรที่กลับใจ การกลับใจเป็นเรื่องที่สําคัญมากครับโจรสองคนที่ถูกตึงไม่เ้เขนอยู่ในสถานการณ์เดียวกันครับแต่พวกเขาเลือกต่างกันพวกเขาเลือกต่างกันเมื่อพวกเขาเลือกต่างกันเขาก็ต้องได้รับผลของการเลือกด้วยตัวเองนี่คือสิ่งที่เป็นความยุติธรรมความเชื่อความศรัทธาในองค์ผู้เป็นเจ้านั้นเป็นสิ่งที่จําเป็นอย่างยิ่ง การรับรู้ว่าพระเจ้าทรงพระชนอยู่พระเจ้าทรงเชื่อถือได้การที่เรารับรู้ว่าเราจะต้องพึ่งพาพระองค์ได้รองค์เป็นที่พึ่งของเราเสมอพระองค์ทรงเป็นสหายที่ดีที่สุดที่ประเสริฐที่สุดความเชื่อความศรัทธานั้นคือการแสดงออกถึงการร้องขอความช่วยเหลือคําร้องขอของโจนก็คือขอพระองค์ทรงระลึกถึงข้าพระองค์เมื่อข้า เมื่อพระองค์เสด็จเข้าในแผ่นดินของพระองค์ชะตากรรมของแม้แต่ผู้ที่ชะตาขาดแล้วก็สามารถเปลี่ยนแปลงโดยพระเยซูคริสต์ได้ทีนี้น้องครับโจรคนหนึ่งวันนี้เราเรียนรู้ครับโจรคนหนึ่งออกจากนรกสู่สวรรค์ชั่วพริบตาเดียวโดยการสำนึกผิดต่อพระเจ้าร้องชูนขอพระเยซูให้และลึกถึงเขา เขาจึงได้รับการอภัยเพราะฉะนั้นการสำนึกผิดนั้นเป็นการเปลี่ยนแปลงจิตใจนะครับเป็นเรื่องของการกลับหลังหันจากความบาปเป็นเรื่องของการที่เขาหันกลับมาหาพระเจ้าเพื่อจะมีความสัมพันธ์กับพระเจ้าอย่างจริงใจขอพระเจ้าช่วยเรานะครับในการที่เราจะได้มีโอกาสสำนึกกับใจใหม่ ที่เตถียนเรานั้นมีอุปนิสัยที่สําคัญอย่างหนึ่งคือต้องพร้อมที่จะกลับใจใหม่ตลอดเวลาต้องพร้อมที่จะให้พระเจ้าช่วยเหลือเราตลอดเวลาเราพึ่งตัวเองไม่ได้ครับเพราะตัวเองพึ่งไม่ได้เพราะความอ่อนแอฝ่ายเนื้อหนังของเราหลายสิ่งหลายอย่างทําให้เราพึ่งตัวเองไม่ได้จําเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องพึ่งในองค์พระผู้เป็นเจ้าอาเมน